ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประปุธิยานได้นำเสนอพรหมจันทร์คือการใช้ชีวิตที่ประเสริฐอันเป็นลักษณะของธรรมรจริยาคือการประพฤติธรรมที่ท่านแสดงว่าเป็นชีวิตที่สูงสุดก็หมายความมาเทียบกันในด้านคุณธรรม เมื่อไปเทียบกับคนณธรรมคนที่มีคุณธรรมต่ำกว่าในชั้นนั้นๆต้งก็สูงกว่าจนก็ถึงจุดที่เรียกว่าสูงที่สุดก็ได้พูดมาตามลำดับถึงเรื่องของทานเรื่องการช่วยเหลือขวงขวายในกิจการงานที่ชอบเรื่องของศีลแล้วสามียินดีในพัญญาตนเองพัญญาก็ซื่อสัตย์พักดีต่อสามีของตนแล้วการรักษาศีลโบสถ การสํารวมระหวังในกาลทั้งหลายซึ่งประณีตขึ้นนะระดับต่อไปนั้นเป็นความประณีตอีกนั่นแหละก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามีความเข้มข้นที่ต่างกันนัานเป็นเน้นที่อปปามัญญาอปปมัญญานั้นเป็นการสร้างความรู้สึกต่อสรรพสัปปตว์โดยไม่กําหนดเรียกว่าไม่มีประมาณสัตว์ต่างหลายที่อยู่ในทิศ ต, ต่างหลาย แต่ในภาคสนามจริงๆเนี่ยเราทำได้ยากเพราะถ้าเราพบในแนวบริษีบริษีไม่ได้ก้าวพวดขึ้นไปถึงตรงนั้นทีเดียวแต่ท่านจ ะ, จะเจริญพรหมหารทั้งสี่ประการพรหมหารนั่นเป็นอาการของกุศลและเจตนาก็เรียกว่าเป็นอาการของความโลภโกรลงที่ลดลงไปแล้วก็จน ข้ามเส้นขนานกลายเป็นธรรมะไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีปัจจัยเสริมมาโดยตลอดกว่าจิตจะมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยคยือค่าจะง่ายนะฮะแต่ว่าภาคปฏิบัติที่จริงไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเมตตาเนี่ยแปล ว, ว่าความรักใคร่ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขในคาว่าอื่นคนอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีเนี่ยมีบางพวกที่เราไม่พอใจอยู่ มีบางพวกที่มีความรู้สึกต้องการในทางเพศอยู่บางพวกเรามีความรู้สึกต้องการจะได้ประโยชน์ในด้านใดด้านห น, นึ่งอยู่แม้จะแสดงออกมามันก็ไม่เป็นเมตตาแหละแต่มันจะเป็นการอ่อยเยือเป็นการลวงให้หลงก็ยคล้ายๆกับแบบหรือสีจำสีนที่ต้องการจะจับสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารนั่นเอง พราะในการปฏิบัติท่านจึงให้ศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบดูสภาพจิตของเราเองตัวธรรมะนั้นให้ลองสังเกตว่ามันเป็นมันชฌิมาปฏิปทาคือทางที่เป็นสายกลางไม่เวียงไม่เวียงไปซ้ายไม่เวียงไปขวาสุอพระเจ้าทรงแสดงไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาว่าทางสองทางนั้นบุคคลไม่ควรดาเนินคือซ้ายจากขวาจัดนะ แนวทรมานร่างกายกับแนวแนวต่าใจตัวเองเนี่ยมันสุดขั้วเกิดไปดังนั้นจึงให้บุคคลตั้งใจสร้างความรู้สึกในทางที่ดีเราตัวเองเป็นศูนย์ในการคิดนะว่าเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นใดคนอื่นส่วอื่นก็รักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกัน แล้วก็สร้างความรู้สึกเหล่านั้นก็จะกระจายออกไปในตอนต้นๆมันก็คือกระทาทางกายพูดทางวาจาและมาฐานความคิดทางจิตใจแล้วกระจายความรู้สึกเหล่านั้นออกไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีคัสสึกของธรรมะเหล่านี้อยู่เราเจนว่าความเมตตานั้นมีความอาฆาตพยาบาทเป็นตัวตรงข้ามเลยเมตตานั้นเย็นบนนี้ร้อน มันอยู่ตรงกันข้ามเพราะงั้นพลังของเมตตาถ้าจัดความรู้สึกอาฆาตพยาบาทความโกรธความจองเวรไม่ได้เนี่ยคนคนนั้นะเนราจะเมตตาเขาไม่ได้ซึ่งพอจับที่คนคนใดคนหนึ่งแล้วมันไม่คนเดียวละคนนั้นเขามีพ่อแม่มีพี่น้องมีวงศารดาญาติมีต้องดินที่อยู่เราก็เกลียดหมาโหลหายไปเลยข้อความสั้น แต่ว่าคนไม่ค่อยนํามาคิดกันเท่าไรเนี่ยคือตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆมาเก็ใช้คําว่าเจองูกับแขก้ตีแขกก่อนอัตมาเป็นคนที่เคยไปอยู่เมืองแขกมาสองปีกว่ า, ก, วาก็เราไม่เห็นเขามีปัญหาใดนะครับก็เป็นมิตรที่ค่อนข้างดีแต่ว่าที่ยุ่งนิดหน่อยก็คือเราไม่มีภาษาที่จะสื่อสารกับเขาให้ถูกต้องชัดเจนเท่านั้นเอง ก็ยุ่งยากในตรงนี้มันแสดงว่ามันเป็นคําพูดที่เกิดจากอากติของใครคนใดคนหนึ่งที่ขัดแย้งเป็นการส่วนตัวกับคนแขกคนใดคนหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นธรรมดาของโลกเมื่อแขกก็แขกก็ขัดแย้งกันไทยกัไทยก็ขัดแยง้งกันเป็นแปลกอะไรนะคนไปในครอบครัวเองก็ขัดแย้งกันได้แต่ว่าต้องการคิดแค้นทํำลายล้างก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาแบบหมา มาหางร่วงนะฮะเรื่องเรื่องอะไรสุนัขกิงจอกหางด้วนก็พยายามที่จะหาแนวร่วมแล้วให้รู้สึกมันเป็นเหมือนๆกันแล้วคนเหล่า น, นั้นก็จะแบ่งเบาภารกิจในการแก้แค้นในแก่ตัวเองวกนี้บาทีมก็จ่ายจริงนะคล้ายๆกันแนวของฮนะิตเลอร์นาซีเยอรมันเราสังเกตว่าเหมือนกันแนวเนี้ยเป็นแนวที่ตัวเองชิงชังกันเป็นการส่วนตัว แล้วคนที่ถูกชิงชังเขาก็ไม่รู้ว่าเขาถูกจิงชังเราไปชิงชังเขาวโดยไม่มีเหตุผลที่จะต้องจิงชังแล้วในที่สุดเมื่อมันเริ่มที่ไม่มีเหตุผลมันก็ออกไปอย่างที่เราทราบเนกลายเป็นสามสงครามโรคครั้งที่สองคนตายก็เป็นเบือ่อแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าจิตมันเดินไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าความไม่พอใจก็ดีความโกรธก็ดีความประทุสลายก็ดีความอาคต พยาบาทก็ทีตลอดถึงออกไปจองเวรอะไรแต่ไรเนี่ยมันมันเข้มข้นน่ะมันให้ความสําคัญแก่ตัวเองไว้สูงมากแต่พอเมตตามันคนละเรื่องก็ให้ความสงกัญแก่คนอื่นไลยเห็นว่ามันทวนกันอย่างแรงมันต้องต่อสู้กันชักกระเยาะกันอยู่นานนกว่าจะไปได้ไม่ได้แม้แต่ว่าคนที่เคยเป็นสามีปัญญากันแล้วต่อมาก็จะให้ดีกันเนี่ยยังจูนขึ้นกันไม่ลงเลย จะ ป, ปรับความรู้สึกกันไม่ลงไม่ต้องกล่าวถึงว่าคนที่เรามีความรู้สึกเป็นศัตรูหรอกแต่ในขณะเดียวกันไอ้จากจุดถนอมตัวเองเนี่ยมันอาจจะเวียงไปอีกด้านหนึ่งคือด้านเขาเรียกว่าด้านด้านอ่อนนะด้านตอบสนองความต้องการของตัวเองคือไม่ตึงเครียดมากเกินไปนั้นก็คืออาการที่เราเรียกว่าการมาลาคะคือมีความกำหนัดมีความต้องการมีความพอใจด้วยน่าของความใคร่ คือหมายความถ้าคนคนนั้นตอบสนองความต้องการทางการมรยาทของเราได้เราก็รักเราก็ชื่นชมเราก็ยินดีดูแล้วคล้ายๆเมตตาแนละแต่เมตตาตัวนี้มันไม่เป็นเมตามตาเมตตาเชียบเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าคนเขาไม่มีการตอบสนองเนี่ยเราจะเกิดโทสะเลยอาจจะถึงกับฆ่าทำลายไปจั้งว่าเราไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เราไม่ครอบครองคนอื่นก็ไม่มีสิทธิครอบครอง จงมีการฆ่าข่มคืนมีการฆ่าเพื่อแม้คนอื่นเอาไปครอบครองแล้วถ้าเราดูพฤติกรรมของสัตว์โลกมันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆอ่นะมีข่าวคราวเรื่องราวต่างๆเราพบเห็นอยู่เรื่อยๆพความรู้สึกตรงนี้ถ้าเราดูหยาบๆแต่มันคล้ายๆเมตตาแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เมตตามันเป็นการมราคะ ความราคานั้นเป็นการมุ่งบำบัดความใครียที่เกิดขึ้นไปในใจตนเองซึ่งตามปกติแล้วคนก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะเราแยกไม่ออกแต่ถ้าเราเทียบเคียงเราจะเห็นชัดสมมติเราเมตตาสุนัขสักตัวหนึ่งนะรักขนปุยสะอาดสะอ้านประจบกีเล่นเราก็รักแก่นะ แต่ต่อมาสมมุติว่าสุนัขตัวเนี้ยมันไปสกรปรกแปดเปื้อนมาเนี่ยเราก็นําไปอาบน้ำำําจับหน้าขัดสีให้สะอาดสะอ้านนะแสดงเออเมตตาสูงอยู่แต่ถ้าสุนัขตัวนี้มันเกิดเป็นขี้เรื้อนขึ้นมาหน้ารังเกียจขยะแขยงเนี่ยปัญหาว่าเราเกิดกรุณาได้หรือไม่อ่ะเราจะพบว่าสุนัขเลี้ยงที่ทิ้งเป็นสุนัขจรจัดมีอยู่เยอะมันก็แสดงว่าคนเหล่านั้นไม่ได้เมตตาต่อสัตว์จริงแต่ว่าเป็นเรื่องความรัก จะตอบสนองความรู้สึกชดเชยการสูญเสียอะไรของตัวเองสักอย่างหนึ่งแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเมื่อสุนัขก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราคงความรู้สึกอย่างนั้นไว้ไม่ได้แล้วก็เอาไปปล่อยชิงเอาไว้ในที่ต่างๆนันก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกอ่เปมากคือความรักเฉยๆความรักเองก็เถอะมันก็มีลักษณะมุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเองอยู่แล้วถ้ามัไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการก็อาจจะออกมาในแนวของความรุนแรง อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเขาเรียกเยหาสิตะเปมะคือความรักในฐานะเป็นครอบเป็นครวมีสายใหญ่ผูกพันเชื่อมโยงกันหลายสายแต่คิดนั้นคิดนี้คิดโน้นอะไรแต่ไรมันมีความอดทนสูงขึ้นมีความอดกันสูงขึ้นมีการทะนุถ น, น, นอมน้ำใจเห็นอกเห็นใจกันสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมื่นเฉยรุนแรงไม่ตอบสนองก็ถึงเลือกรากันเลื่ทุกตีกันอาจจะถึงค่ากันวันก่อนดูข่าวเล็กๆกันนะก็นึกแล้วก็น่าคิดสามีกับปัญญาปัญญานั้นโกรธสามีเที่ยวเงินไปช่วยคนอื่นเสียแปดแสนน้ำแปดแสน เลยก็โกรธก็ไปหามือรับจ้างฆ่าสัตว์นะรับจ้างฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่เนะี่ยพวกมือรับจ้างทัาา้งหลาก็ขึ้นอันดับพาร์ตพารขึ้นมาฆ่าคนเล้ให้สองแสนโดยปัญญานั้นเป็นคนวางแผนมอมยาสามีให้หลับแล้วให้คนที่ตัวเองจ้างมากับน้องชายตัวเองเนี่ย ช่วยกันรักคอให้ตายเรื่องที่แทนที่จะรับนะมันก็ไม่รับกลายเป็นรู้กันหกขูเลยแล้วในสุดมันก็มีพิรุษรัวก็ระจับได้โดนนึกว่าสามีกับผัญญายังไม่ศึกษาได้ละเอียดแตว่าเงินเหล่านั้นใครเป็นคนถามมาถึงแม้จะช่วยกันหาก็เถอะ แต่ความเป็นสามีปัญญานั้นมันก็น่าจะประนีประนอมผลรลนกันเ ข, เข้าใจกันแต่ความจําเป็นอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็สูญหายไปแล้วก็มานับหนึ่งกันใหม่ก็ช่วยเหลือกันไม่จําเป็นจะต้องจ้างเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นว่าจ้างสองแสนเนี่ยมันก็ประเดี๋ยวก็เพิ่มมากกว่าที่มันหายไปหรือลักษณะของเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั้นก็แสดงว่าที่จริงเป็นเรื่องของความรัก มันไม่ใช่ความเมตตาพอถึงจุดหนึ่งมาให้อภัย ไ, ไม่ได้แต่ถ้าความรักที่มีเมตตาอยู่สูงเนี่ยมันมุ่งมาพิบาลเขาโอบกุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาธนุถนอมมาพิบาลเ อ, อื้อทอนห่วงใหญ่ต่อเขานี่สูงมันจะทำให้เขาในสูงขึ้นไอ ต, ตรงนี้มันก็เข้าไปใกล้เมตตาขึ้น ผลเมตตาจึงมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์คือมองสัตว์ทุกชีวิตเนี่ยเป็นอารมณ์โดยความรู้สึกเป็นมิตรอย่างที่ยุคพระร่วงนะฮะสุปฏิพระร่วงเนี่ยปลูกใบตีอย่ารู้รางสร้างกุศลอย่ารู้รวยในการต่อมาก็ปรารถนาสารพัดในปัตตพีอมัมตรีแลกได้ดังใจจงายความใช้ความเป็นมิตร ที่ทานเขียนเป็นคำกรานะมิต่อติดกับมิตรใจรักกันไว้ดีกว่าชังระวังกันเขาดีก็ดีอรีต่อให้สมข้อคำโบราณที่ขาไขมิตรจิต ต, ต่อติดกับมิตรใจถ้าเขาไม่ใหญ่นะเขาไม่ใส่ใจไม่สนใจก็อย่าไปยุ่งยากให้มันยากเก็นต้องเป็นหลักการคิดที่มีความประณีตขึ้นทีนี้ถ้ามันเกิดไปถึงระดับเมตตาได้นะ ต่ากว่าเขาไม่มีการตอบสนองเราก็ไม่กันไม่ต้องการตอบสนองเป็นหลักอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกอะไรแต่ทีนี้ปัญหาสาคัญว่าภารกิจของเราในการเจริญเมตตาเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นไปต้องการให้เขาอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่เบียดเบียนกันไม่ปะทุสรายกันแต่มันเกิดหมดเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงเราทาใจเป็นอุเบกขาได้ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นไม่ตามไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปพิสูจน์ได้คือจะออกในรูปของฉันทากติฉันทากตินั้นยกตัวอย่างว่าสมมติว่าคนที่เรารักเขาแต่ว่ารักในความเป็นเจ้าของครอบครองนะถ้าเขาทำผิดเราจะพูดว่าถูกเขาทมผิดมากเราจะพูดว่าผิดน้อย ก็าทำถูกมากเราจะถูกน้อยก็บอกพูดว่าถูกมากก็ทำผิดมากเราบอกทำผิดน้อยนั่นเอียงแล้วตอนนี้มันเอียงด้วยความรักอทีนี้พอดีพออีกคนหนึ่งเนี่ยมากระทบมาทะเลาะกับคนที่เรารักความเป็นจริงนั้นเรารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ใจมันจะแกว่งนะะด้วยโทวสากติก็มาความมาถ้าเขาทำดีมากเนี่ยเราบอกว่าทำดีน้อย ถ้าก็ทําชั่วมากเนี่ยไม่ใช่เก็ทําทชั่วน้อยเรียรกว่าเขาทำชั่วมากาแสดงว่าไม่ยุติธรรมแล้วเริ่มแกว้งแล้วทีนี้พอคนที่เราไม่ชอบมันก็ข้ า, ขาวตางเขาทางพยาบาทคือเป็นข่าสึกของเมตตาเนี่ยพราะถ้าเขาทําชั่วมากเราก็เพิ่มไปเลยและเลงเต็มที่ก็ทําทดีมากเราก็ตัดทอนเลยตัดทอนให้ดีเขาน้อยลง นั้นก็แสดงื่อเอียงโดยฉันทากติแล้วก็โทสากติถ้าถามว่ายังไงล่ะเพราะเรากลัวว่าคนของเราเนี่ยจะประสบความทุกข์เพราะการกระทำของเขาเรากลัวว่าคนที่เราไม่ชอบเนี่ยจะประสบความสุขเพราะการกระทำของเขาเนี่ยชักจะจุดจานแล้วก็หมายความว่ามันเกิดโมหกติอยู่ด้วยเกิดเป็นกติหมดเลยสีขอ้อ นั่นก็คือไม่ใช่เมตตาราะเมตตาจึงมีสัตว์ทั่ไปเป็นอารมณ์แล้วกระจายออกไปในนิยาดังกล่าวนี่ทีนี้สมมติว่าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นเราก็ทำใจเป็นอุเบกขาือวางเฉยก็อมองสัตว์ทั้งหลายว่าก็เป็นไปตามกรรมของเขาใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจบลงไปผู้รับผลกรรมนั้นเราก็ปล่อยเป็นกรรมของไป ถ้าคนที่เราเมตตาประสบปัญหาเราอย่างน้อยที่สุดนี่ต้องการเห็นเขาหลุดพ้นจากประดาจากทุกข์จากภัยจากอันตรายสามารถขจัดความเ บ, บียดเบียนและความโศกออกไปได้แต่เขารอดพ้นจากทุกข์จากภัยจากอันตรายจากอุปสรรคประดาต่างๆเราก็เกิดมุติตากับเขาโดยไม่ต้องการอะไรหรอก ยินดีที่เขารอดพ้นจากไปจากอันตรายนี่ก็จิตมันก็จะเจริญไปอย่างเงี้ยนี่ก็คือพระมหาจารย์เราวเจนว่าจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะที่เหมาะที่ควรคล้ายๆกับขับรถเนี่ยมันไม่ได้ใช้ว่าเกียร์ใดเกียร์หนึ่งอย่างเดียวเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเดียวมันก็แล้วแต่แล้วแต่กรณีนั้นๆว่าเราประพฤติปฏิบัติยังไงจึงจะเป็นประโยชน์ในการนําพารถของเราไปสู่จุดหมายปลายทางมันบอกไม่ได้หรอก แต่มันอยู่ที่ปฏิบัติได้ถูกต้องกันแล้วกันในแต่ละขณะที่มาถึงข้าวแต่บางคนนี่มันทำไม่ได้โดยฉันว่าจะต้องมีเซนเนอร์จะต้องมีคนคอยกระซิบอยู่เบื้องหลังทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทาอย่างนั้นแต่ถึงจุดหนึ่งเราทำได้เราก็เคลื่อนไหวกันออกไปได้ตรงนี้ก็อปัญญาก็คือขยายความรู้สึกออกไปเรื่อยจนถึงก็ไม่ใส่ใจแล้วว่าเขาเป็นใคร แต่เขาเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็เมตตาเขาเขาประสบความทุกข์เราก็กรนาเขาเขาประสบความเจริญเราก็มุติตากาเขาเขาประสบผลกรรมเราก็อุเบากขาเขาใจเราเป็นสุขอยู่ตลอดระยะเวลาเลยนั่นก็คือธรรมะในแนวพรหมจันทร์คือสิ่งสัมผัสทางใจเราในเราเป็นสุขกิเลสมันสงบลงความทุกข์มันสงบลงความสุขมันเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นหลักการสําคัญที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็มองให้เห็นเรื่องความจริงในเรื่องตรงนี้ โรมอาจารย์ที่ประนิคขึ้นทีนิประการหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เข้าหลักใจแล้วถิ่นคือเข้าหลักของอริยมรรคหมายความว่าการบําเพ็ญตนดําเนินมาจนดูเป็นเส้นทางของกุศลแธรรมทั้งปวงเนี่ยคือเปิดเข้าใจนะฮในตาด้าที่เราเป็นผู้เนี่ยว่ากุศลธรรมส่วนลเอียทั้งหมดมันเป็นอริยมรรคมีองค์แปประการทั้งหมดอนะไม่ว่าเราจะพูดในข้อใดก็ตามก็คืออริยมรรคจุดนั้นแหละ ฉะนนสมมติเราพูดตึงความเพียรโดยในย่าที่กล่าวแล้วที่ท่านเรียกว่าวิรยิยะนี่ที่จริงก็คือสัมมาวิมารในเรียมักนั่นเองในเรียมักนั่นแหละก็ย่อมาลงเป็นไดจิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วอาจจะย่อลงที่อภิปปมาตก็ได้นะก็แล้วแต่จะย่อตรงไหนพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสรุปรวมว่าการาศาสนาพุมัจจันนะท่านเรียกว่ า, าศาสนาพุทธมัจรัน คือการปฏิบัติตามหลักพระสัทธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้โดยปริยายอะไรก็ตามตามปกติในกรณีเช่นนี้ท่านจะยกเขาเรียกว่านาวังกษัตริย์ศาสตร์คือคำสอนที่มีองค์กรขึ้นมาก็โดยเนื้อหาสารในคําสอนที่เป็นองค์กรแต่มันมีลักษณะของคําสอนด้า น, นเด็กเป็นรูปแบบวิธีการสอนด้านั้นเด็กแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วก็เป็นเรื่องของอริยสัตว์ทั้งสี่ประการ เ, เรื่องของทุกข์เหตุเกิดของทุกข์ความดับทุกข์แล้วข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์แล้วก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของอริมักเบืองแประการเพี่ยนแต่ว่าในกรณีนั้นน่ะสมสแสดงโดยปริยายอะไรหรือนิยะอะไรก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีเหล่านั้นในกรณีที่อยู่ในกลุ่มของทุกข์สัตว์เราก็ต้องปรับใจทําความรู้จักทําความชัดเจนในสิ่งเหล่านั้น ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่รวมพ้ความเป็นอย่างนั้นไปได้ในกรณีที่เป็นกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งปัญหาทั้งหลายก็พยายามมองเหตุโทษแล้วก็ลดละไปเรื่อยๆปฏิบัติลดละไปเรื่อยๆตามที่เราจะลดละได้มากหรือได้น้อยก็เป็นรายละเอียดในกรณีที่เป็นเป้าหมายเป็นความสงบเป็นความเย็นเป็นความว่างจากเราจากของเราจากตัวตนของเรา ก็พยายามที่จะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายตรงนั้นแล้วก็เนอของกุศลธรรมทั้งหลายจะเป็นข้ออะไรก็ตามก็ใช้ความพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติก็ เ, เรียกว่าอบรมกระทําบําเพ็ญอบรมกระทําให้มากกระทําบ่อยๆกระทําจนเป็นหลักใจเป็นเรือนใจเป็นยานพาหนะเป็นเครื่องอาศัยของจิตใจนําไปสู่ทิศทางที่เราประสงค์ที่เราต้องการ คุณธรรมเหล่านี้มันก็สรุปรวมแล้วก็คือเป็นคําสอนที่เรียกว่านวังกสัตตุศาสตร์คือว่ามีคําสอนที่มีองค์กลาวประการเป็นลักษณะนะฮะเช่นสุตตะเคยยะวยากณสุตตะก็คือมาความคำสอนที่เป็นประศูนยเช่นมงคลสูตรรัตนสูตรติเนียเรียวสุตตะเคยยะก็คือพวกเป็นบทค า, า, า, า, าถามโนปุบังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาอะไรแต่ละก็เป็นเคยยะวยากณนวิยากอนี้ก็แล้ววยากอนี้พระผู้มีพระกายทรงแสดงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ก็สรุปว่าก็เป็นคําสอนในโครงสร้างเดิมนั่นแหละแต่วิธีสอนวิธีสื่อนี่มันแตกต่างกันออกไปก็มีความหลากหลายเพราะว่าคนมันหลากหลายเพราะคําคสอนก็เลยต้องหลากหลายตามคนไปด้วยยักย้ายเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับพื้นเพจริตรตรียศยาสตรของผู้ฟังในขณะนั้ น, น, นก็สรุปว่าประผู้ฟังได้รับประโยชน์โดยวิธีใดนะพื้นฐานว่าสนามบา ร, รมีของเขาเป็นเช่นไรพระพุทธเจ้าก็จะส่งประกาศแสดงธรรมะโดยวิธีการอย่างนั้น แล้วก็จบลงด้วยเป็นประโยชน์เป็นอาการครือกูและอำนวยความสุขแก่ผู้ฟังเป็นประการสำคัญต้องฟังทั้งหลายในรมประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี